ติาทายกะวักหมวดว่าด้วยการถวายญ้าเป็นต้นหนึ่งติามุติทายกะเทราประทานประวัติเนติชาตของพระติามุติทายกะเทระพระติามุติทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาตของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลำพกะ ที่ภูเขานั้นแหลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะเสด็ จ, จงกรมอยู่กลางแจงเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าดงใหญ่เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพจึงได้ถวายญา ก, กรรมหนึ่งเพื่อประทับนั่งสำหรับพระพุทธเจ้าครั้นถวายแล้วทําจิตให้เลื่อมใสได้ถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบ่ายหน้าหลีไปทางทิศเหนือ ข้าพเจ้าพอเดินไปได้ไม่นานก็ถูกราชสีทำร้ายถูกราชสีฆ่าตายในที่นั้นนั่นเองในเวลาใกล้าตายกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดไม่มีอาสะวะข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดในเทวโลกดุดความเร็วแห่งลูกศรที่พ้นจากแรงไปแล้วในเทวโลกนั้นปราสาทเจ็ดชั้นสูงพันชั่วลูกธนูสะเเ่งไปด้วยธง พราวไปด้วยแก้วมณีสีเขียวอันสวยงามซึ่งบุญกรรมเนรมิตให้แสงสว่างของปราสาทนั้นโพยพุ่งดัง ด, งดวงอาทิตย์อุทยัยข้าพเจ้ามีนางเทพกัญญาอยู่มากมายเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในกามคุณข้าพเจ้าถูกกุสลมลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาชวะแล้วในขับที่เก้าสบสี่นับจากขับนี้ไป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 ได้ทราบว่าท่านพระตินามุติทายกะเทระได้ภาสรัทธาเหล่านี้ด้วยประกาศฉนิตินามุติทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองเวเจกะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเวเจกะทายกะเทระพระเวเจกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเลื่อมใสได้ถวายเวจกูดีหลังหนึ่งด้วยมือของตนแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ข้าพเจ้าได้ยานคือช้างยานคือมา้าและยานทิพย์อย่างครบถ้วนได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเพราะการถวายเวจกูดีนั้นในกลับที่9กอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเวจกูดีไว้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 วิชาสามเข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระจจพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเวชกะทายกะเทระ ได้ภาสิดคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิเวจกะทายกะเทราประธานที่สองจบสสรณคมนิยะเทราประธานประวัติในดิิชาติของพระสรณคมนิยะเทระพระสรณคมนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดติชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นอาชีวกและภิกษุ ลงเรือไปด้วยกันเมื่อเรือกําลังจะอับปางภิกษุได้ให้สารณะแก่ข้าพเจ้าในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปภิกษุนั้นได้ให้สารณะใดแก่ข้าพเจ้าด้วยสารณะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งสารณะคมกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิตชาติของพระอภัญชนะทายกะเถระพระอภัพชนะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าอยู่ใกล้พระราชอุทยานในกรุงพันธุมดีครั้งนั้นเขาพเจ้านุ่งผ้านหนังสัตว์สะพายคนโทน้ำเขาพเจ้าได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีเคอกิเลศผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้มีความเพียร มีพระไายแน่วแน่มีปกติเข้าฌานยินดีในฌานทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สำเร็จความประสงค์ทั้งปวงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะครั้นเห็นแล้วก็เป็นผู้เลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายยาหยอตาในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เฟอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอภัพัญชนะทายกะเถระได้พาสุกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ อภัพ น, นะทายกะเทราประทานที่สี่จบหสุปตะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาของพระสุปตะทายกะเทระพระสุปตะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นผู้นำจัดโลกเสด็จออกจากที่ประทับ พ, พักผ่อนกลางวันแล้ว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 ดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการทึกพระเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแปและอภินญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุปตตทายกะเทระได้ภาเสด็คาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สุปตตทายกะเทราประทานที่ห้าจบหทันททายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระทันททายกะเทระพระทันททายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปยังป่าใหญ่ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นไม้แขวนผ้าถวายพระสงฆ์ข้าพเจ้าไหวท่านผู้มีวัดงามด้วยจิตที่เลื่อมใจนั้นครั้นถวายผ้าแขวนแล้วมุ่งหน้าลีไปทางทิศเหนือในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายไม้ไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปิเลย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 ท่านททายกะเถราประธานที่หกจบภาณวาระที่ยี่สิบสามจบเจตคิริเนและปูชกะเถราประธานประวัติในดิตชาติของพระคิริเนระปูชกะเถระพระคิริเนระปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนครับพรเจ้าเป็นนายพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่า ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกิเลสทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงยินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงบูชาด้วยดอกไม้ที่บริสุทธิ์ในกลับที่ส1บเอดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 คิริเนละปูชกะเทราประธานที่เจ็ดจบแโพธิสัมมชกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระโพธิสัมมชกะเทระพระโพธิสัมมชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติปางก่อนเขาไเจ้าเก็บใบโพธิถูกทิ้งไว้ที่ลานพระเจดีย์ไปทิ้งจึงได้คุณยี่สิบประการ ด้วยเดแห่งกรรมนั้นเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็เวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งในภพเทวดาสองภพมนุษย์จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ภพมนุษย์ก็เกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีร่างกายสูงใหญ่ รูปงามสะอาดสะอา้านสมบูรณ์ไม่บกพร่องเาพเจ้าเกิดในภพใดภพหนึ่งเคยในเทวโลกหรือในหมู่มนุษย์มีผิวพันธุ์ดังทองคําเหมือนทองคําที่นายช่างหลอมดีแล้วผิวของเาพเจ้าอ่อนนุ่มสนิทละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลาในเพราะใบโพธิ์ที่เาพเจ้าได้ขนไปทิ้งในคติไหนๆก็ตามเถิดฝุ่นละอองย่อมไม่ติดร่างกายที่ประชุมกันขึ้น นี them, time, ้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งเพราะความร้อนจากลมแดดหรือเพราะความร้อนจากไฟก็ตามที่กายของข้าพเจ้าเหงื่อไม่ไหลนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งที่กายของข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อนฝีโรคกลากตกกระผุพองและหีดเปื่อยนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้ง อีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือโรคไม่มีในกายนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ies, product, hardcore, คือความบีบคั้นทางใจไม่มีนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ feature, ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ คือข้าพเจ้าไม่มีศัตรูนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือพหุคสมบัติไม่มีความบกพร่องเลยนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือไม่มีอักขีภัยราชภัยโจรภัย และอุทกภัยอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือท่าหญิงชายเป็นผู้ติดตามคล้อยตามความคิดของข้าพเจ้าบุคคลเกิดในมนุษย์โลกที่มีอายุไขเท่าใดอายุของข้าพเจ้าไม่หย่อนไปกว่านั้นดำรงอยู่ได้จนชั่วอายุไขคนภายในคนภายนอกชาวนิคมตลอดจนชาวแว่นแคว้น ล้วนแต่เป็นผู้คอยช่วยเหลือมุ่งความเจริญปรารถนาความสุขแก่ข้าพเจ้าไปทุกคนทุกทุกภพข้าพเจ้าเป็นผู้มีโภคะมียศมีสิริมีญาติมีพวกพ้องไม่มีเวณปราศจากความสะดุ้งกลัวภัยในการทั้งปวงเมื่อข้าพเจ้ายังเวียนไหยตายเกิดอยู่ในภพเทวดามนุษย์อาศุนคนทันยักษ์และรากสดล้วนคอยอารักขาป้องกันอยู่ทุกเมื่อ ข้าพเจ้าสวยยศทั้งสองทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกและในอวสารก็ได้บรรลุนิพพานอันกเกษมอย่างยอดเยี่ยมคนเช่นใดพึงได้บุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระศ า, าสดาพระองค์นั้นสำหรับคนเช่นนั้นอะไรเล่าที่พึงได้โดยยากเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆในมัคคผลและปริยัติธรรม และในคุณคือชาญและอภิญยาเป็นผู้ไม่มีอาสะวะแล้วปรินิพานเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้ามีใจร่าเริงเก็บใบโพไปทิ้งจึงเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยองคุณยี่สิบประการนี้ในการทั้งปวงกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระโพธิสัมมักะเทระได้ภาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้โพธิสัมมักะเทราประธานที่แปจบ 9. อามัญทพละทายกะเทราประธานประวัติในดิชาติของพระอมัญทพละทายกกะเทระ พระอมะรทพละทยกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดุตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระธินเจ้าพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกออกจากสมาธิแล้วจงกรมอยู่ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกยบผลไม้หากมาได้เห็นพระมหาหมุนีผู้เจ้าผู้ปราศจากทุลีเคอกิเลศเดช จ, จงกรมอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ประนมมือเหนือศีรษะถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้ถวายผลแฝงในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลแฝงกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอามรัฐพระทายกะเทระได้พาศัลย์เหล่านี้ด้วยประการฉนี้อามรัฐพระทายกะเทราประทานที่เก้าจบสิสุขันธเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระสุขันธเทระ พระสุคันธเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดิจชาของตนจึงกล่าวว่าในพัทะกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของพรามมีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโตธทรงประเส ร, ริฐกว่าเจ้ารัติทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการซึ่งมีพระรัศมีประมาณหนึ่งวาแวดล้อมแล้ว ปกคลุมไปด้วยขายพระราศมีทรงทําหมู่สัตว์ให้ยินดีได้เหมือนดวงจันทร์เปล่งพระราศมีได้เหมือนดวงอาทิตย์ทําหมูสัตว์ให้เยือกเย็นได้เหมือนเมฆฝนเป็นบ่อกเกิดแแ่งคุณเหมือนสาครพระองค์เปรียบดังแผ่นดินโดยศีลเปรียบดังภูเขาหิมพานโดยสมาธิเปรียบดังอากาศโดยปัญญาเป็นผู้ไม่คล้ อ, องเกี่ยวอะไรอะไรเหมือนสายลม มีทำเป็นเครื่องอยู่ตามอธัธยาศัยไม่บกพร่องทรงแกล้วกล้าในถ้ำกลางบริษัทเมื่อจะฉุดมหาชนขึ้นจากล่มเครือกามจึงทรงประกาศสัจจะครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีมียศยิ่งใหญ่ในกรุงพาราณสีข้าพเจ้ามีทรัพย์และธัญชาติอย่างล้นเหลือจึงมีความองอาจข้าพเจ้าเดินพักผ่อนไปจนถึงป่ามรกขายวัน เห็นพระาศาสดาผู้เป็นที่พึ่งแห่งจักรโลกกำลังแสดงอมตะ บ, บทอยู่มีพระดำรัตไเร์ลน้าฟังมีพระสุรเสียงดุดเสียงนกการะเวกมีพระสุรเสียงก้องกลางวานคล้ายเสียงหง์และเสียงฟ้าคำรนทรมหาชนให้รู้แจ้งชัดผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพครั้นเห็นพระองค์แล้วและได้สดับพระสุรเสียงที่ไพร์ละเขาพระเจ้าจึงได้จละโภคะมิใช่น้อย ออกบวชเป็นบรรพชิตเขาพระเจ้าโบวแล้วเช่นนี้ไม่นานนักก็เป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกถึกมีปฏิพานอันวิจิตเข้าพระเจ้าเป็นผู้องค์อาจในการพรนนาได้สรนเสริญพระคุณของพระศาสดาผู้มีพระชวีวันดังทองคําอยู่บ่อยๆณถ้ำกลางบริษัทใหญ่ว่าพระศาสดาพระองค์นี้เป็นพระขีนาศพเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้ว ถึงความสิ้นกรรมทุกอย่างทรงพ้นจากกิเลสแล้วในพระธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระผู้มีประภาคพระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐอย่างยิ่งทรงประกาศธรรมาจากอนประเสริฐแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นพระฤาษีทรงฝึกพระองค์เองและฝึกมหาชนทรงสงบระงับเองและทาให้มหาชนสงบระงับ ทรงดับกิเลสเองและทรงยังมหาชนให้ดับกิเลสทรงเบาพระทัยเองและทรงให้มหาชนเบาใจทรงมีความกล้าองอาจกล้าหานมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระกรนณาทรงได้วสีทรงมีชัยชนะทรงชนะแล้วไม่ทรงขนองทรงหมดความห่วงใหญ่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนเป็นนักปราชไม่หลงไหล ไม่มีใครเหมอเหมือนเป็นมุนีทรงฝักใฝ่ในธุระทรงกล้าหาญแม้ในหมู่เจ้าลทัทธิดังพญาโคอุสสะพระพญาพชสารและพญาราชสีเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากมนทินเป็นดังพรมฉลาดกว่านักปราชญ์กำจัดเสียซึ่ง่าสเถือกเลสหมดเสียนน้ำปราศจากความเศร้าโศกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้หมดจดเป็นพรามเป็นสมณะเป็นที่พึ่งเป็นหมอเป็นผู้กำจัดลูกสรคือความโศกเป็นนักรบเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้คงแก่เรียนและเรียนรู้กว้างขวางไม่หวั่นไหวมีใจเบิกบานยิ้มแย้มทรงฝึกอินทรีย์เป็นผู้นำตนไปเป็นผู้ทมเป็นผู้นำเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ยังสัตว์ให้ร่าเริงเป็นผู้วิทย์ เป็นผู้ตัดเป็นผู้ฟังเป็นผู้สรรเสริญเป็นผู้ไม่มีลิ่มฉลักปราศจากลูกสอนไม่มีทุกข์ไม่มีความสงสัยเป็นผู้หมดตันหาปราศจากผู้หลีเป็นผู้ขุดเป็นผู้ทาลายเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ทาให้ปรากฏเป็นผู้ช่วยสัตว์ให้ข้ามให้ทำประโยชน์ให้จ้างประโยชน์เป็นผู้ช่วยให้ถึงสัมปทาเป็นผู้ช่วยสัตว์ให้บรรลุ เป็นผู้มีประโยชน์เกืือกูดเป็นผู้ฆ่าทรงทากิเลสให้เร่าร้อนทําตัญหาให้เหือแท้งดำรงอยู่ในสัจจะหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีสหายทรงมีความกรุณามีความมหัศจรรย์ไม่ทรงหลอกลวงเป็นผู้ธรรมเป็นฤาษีเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วไม่ทรงถือพระองค์ ทรงมีพระคุณหาประมาณมิได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่ยึดถือทอยคำทุกชนิดบรรลุธรรมที่ควรแนะนำทุกประการทรงชนะโมมานความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสตระรังสีพระองค์นั้นเป็นเหตุนำอำมตะมหานิพพานมาให้เพราะฉะนั้นความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จึงมีประโยชน์มาก ข้าพเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารณะอย่างสูงสุดของโลกทั้งสามด้วยคุณมีอย่างนี้เป็นต้นจึงแสดงธรรมกถานในถ้ำกลางบริสัทจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เสวยความสุขมากในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเกิดในมนุษย์เป็นผู้มีกลิ่นหอมลมหายใจกลิ่นปากและกลิ่นกายของข้าพเจ้าก็เช่นนั้นเหมือนกันเคมีกลิ่นหอม และกลิ่นทั้งหมดนั้นของข้าพเจ้าก็หอมอยู่เป็นนิดกลิ่นปากของข้าพเจ้าหอมฟุ้งไปตลอดกาลเหมือนกลิ่นดอกปทุมดอกอุบลและดอกจำปาและกลายของข้าพเจ้าก็หอมฟุ้งไปทุกเมื่อเช่นนั้นเหมือนกันทั้งหมดนั้นเป็นผลแห่งการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าผลนั้นน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งขอท่านทุกคนจงตั้งใจฟังภาสิทของเรา ครั้นข้าพเจ้ากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งนำประโยชน์และความสุขมาให้แล้วเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วในธรรมทั้งปวงพระสงค์เป็นผู้ขนขวายในความเพียรอย่างยิ่งมียศถึงความสุขงดงามรุ่งเรืองน่ารักน่าชมเป็นผู้กล่าวไม่ดูหมินดูแคลนไม่มีโทษและเป็นผู้มีปัญญาขนขวายในธรรมเป็นที่สิ้นกิเลส พระนิพพานอันเหล่าชนผู้พักดีต่อพระพุทธเจ้าพึงได้โดยง่ายเขาพเจ้าจะกล่าวทังเหตุของพวกเขาเชิญท่านทั้งหลายฟังเหตุนั้นตามเป็นจริงเขาพเจ้าถวายอภิวาสก็เพราะค้นพบประยชน์ที่มีอยู่ของพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุนั้นแม้เขาพเจ้าจะเกิดในภพใดๆก็เป็นผู้มียศในภพนั้นๆเขาพเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดทุกได้และพระธรรมที่สงบ ซึ่งปัจจัยปรุงแต่งมิได้เป็นผู้ให้ความสุขแก่สรรพสัตว์เพราะกรรมนั้นเขาพเจ้าจึงได้รับแต่ความสุขเขาพเจ้าผู้ประกอบด้วยปิติในพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พอใจของตนเองและเป็นที่พอใจของคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาพเจ้าจึงเป็นผู้มีความพอใจพระชีนเจ้าพระองค์ใดทรงย่ำยีพวกเดรัจีล่วงพ้นเดรัจีได้ ข้าพเจ้าเมื่อสรรเสริญคุณของพระทินเจ้าพระองค์นั้นจึงชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีแต่ความรุ่งเรืองข้าพเจ้าเมื่อกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำตนให้เป็นที่รักแม้ของประชาชนเป็นเหมือนดวงจันทร์อันมีในศาสตรการเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้น่ารักน่าชม ข้าพเจ้าชมเชยพระสุคต์ด้วยวาจาทุกอย่างตามความสามารถเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีปฏิพานวิจิตเหมือนท่านพระวังขีสะกคนพาลเหล่าใดเป็นผู้มีความสงสัยจึงดูหมิ่นพระมหาหมุนีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงข่มคนพาลเหล่านั้นโดยการข่มขีที่ชอบธรรำข้าพเจ้าช่วยกำจัดกิเลสทั้งหลายของเหล่าสัตว์ด้วยการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพราะอนุภาพของกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีจิตปราศจากกิเลสข้าพเจ้าแสดงพุทธานุสติได้ทําปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้เกิดแก่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งอัดที่ละเอียดข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่างจากข้ามพ้นห้วงน้ําคือสังสารวัฏไปได้และเป็นผู้ได้เวสีไม่ถือมั่นถึงความดับสนิทในกลับนี้เอง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 สุขัญธะเทราประธานที่สิบจบตินนทายกะวักที่53บาจบบริบูรณ์ร่วมประธานที่มีนิวรัก์นี้คือ 1. ดตินนมุติทายกกะเทราประธาน 2. เวจกะทายกะเทราประธาน 3. สจารณะขมนียะเทราประธาน 4. อภัญชนะทายกะเทราประธาน 5. สุปตะทายกะเทราประธาน พันธ ท, ทายกกะเทราประทานเจ็ดคิริเนลปูชกะเทราประทานแปดโพธิสัมมชกะเทราประทานเก้อาอมันทะพละทายกะเทราประทานสิบสุคันทะเทราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้หนึ่งร้อยยี่สิบสามคถา